แต่ท่านผู้ทรงธรรมพระสุมณะกล่าวต่อไปในสำนักตกศิลานี้ข้าพเจ้าได้ศึกษาประวัติบุคคลผู้น่าสนใจมากมายหลายท่านซึ่งล้วนแต่มีประวัติชีวิตแปลกๆอาจารย์ได้นำมาเล่าเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในบางแง่าบางประการมีอยู่ห้าท่านเดียกันที่ข้าพเจ้าสนใจที่สุดคือเปเสณธิกุมารพันธุลกุมารเจ้าชายมหาลิ องคุลีมานหมอชีวกโกมารพัทโดยเฉพาะบุคคลสุดท้ายนี้พระเจ้าได้ยึดเป็นแนวการศึกษาและการดำเนินชีวิตทีเดียวประเสนทิกุมานโอรสแห่งพระเจ้ามหาโกศแห่งกรุงสาวัตถีได้ศึกษาวิชาปกครองเพราะเป็นราชทายาทจะต้องรับช่วงราชสมบัติจากพระราชบิดาหลังจากศึกษาสาเร็จแล้วเสด็จกลับสู่พระนคร แสดงวิชาการรบและการปกครองจนเป็นที่พอพระไทยของพระราชบิดาและพระประยุรยญาติทรงได้รับราชสมบัติแทนพระเจ้ามหาโกศลพระเจ้าประสิธิเป็นกษัตริย์พระไทยดีแม้จะไม่สู้ฉลาดนักแต่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและสนิทสนมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งนักทุกครั้งที่ไปเฝ้าพระพุทธองค์จะทรงจุมพิตพระบาทของพระศาสดาเสมอ มีพระชนมายุเสมอด้วยพระศาสดามีเรื่องพิสูจน์ดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมเมทรุปะอยู่ในเขตแห่งกษัตริย์สักยะอันไกลจากพระนครสาวันธีประมาณสามยน์พระเจ้าประสทธิเสด็จไปจากพระนครพร้อมด้วยทีขาการยานะมหาอมาตย์ของพระองค์เมื่อเสด็จถึงที่แล้วส่งมอบพระขัน และราชูประโภคบางอย่างให้การยนะไวเสด็จเข้าไปเฝ้าแต่พระองค์เดียวส่งจุมพิษพระบาทด้วยพระโอษฐ์และนวดฟันพระบรมศาสดาประกาศนามของพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์คือราชาประเสริฐที่โกศลพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิษพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไรจึงทรงนอบน้อมยิ่งนัก ในสรีระของอัตมาภาพนี้พระเจ้าปเสนทิกราบทูลความรู้สึกในพระไทยเจประการดังนี้พระองค์ผู้เจริญข้อสังเกตของหม่อมฉันมีอยู่ในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วดังนี้ พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้มอมฉันได้เห็นสมณพราหมณ์บางพวกพระพุทธโรมจันทร์ยังเคร่งครัดได้1ิปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้างครั้นสมัยอื่นสมณพราหมณ์พวกนั้นกลายเป็นผู้อาบอย่างดีรูปทายอย่างดีแต่งผมและหนวดเ อ, อิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยการมกุณห้าให้เขาบมเรออยู่ ส่วนภิกษุในศาสนานี้หม่อมฉันเห็นประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดชีวิตพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นี่แลเป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันอันมีอยู่ในพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าอาุโสสุมณนะข้อนี้จะมีขันธ์กับความจริงไปหรือเพราะปรากฏอยู่หนึ่งเหนือง ตั้งแต่สมัยเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ว่าพระสาวกที่เข้ามาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้บอกคืนสิกขาลาโรมาจรันรอยู่เสมอและพระองค์ก็ทรงอนุ ญ, ญาตตามอัธยาศัยพระสุมณนะถูกแล้วทัานพูดเจริญแม้ในสมัยเมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ก็ยังมีพิสุศึกอยู่เสมอ แต่พระเจ้าเปเสนทิท่งหมายถึงพิสุที่อยู่ประพฤติพรมจรรย์ตลอดชีวิตเท่านั้นคือหมายความว่าผู้ที่อยู่ประพฤติพรมจรรย์ตลอดชีวิตก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเสียเลย พระเจ้าต่อไปเถิดท่านสมณะรณกพระเจ้ากําลังสนใจข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญพระราชายังวิวาทกับพระราชาด้วยกันพราหมณ์ยังวิวาทกับพราหมณ์ขรา บ, บดีกับขรห บ, บดีมารดากับบุตรพี่น้องยังวิวาทกับพี่น้องด้วยกันส่วนในพรหมจรรย์ น, นี้หม่อมฉันเห็นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน เบิกบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันสนิทดังน้ำกับน้ำนมมองดูกันด้วยสายตาอน่ารักพระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ไม่เห็นบริษัทอื่นที่พร้อมเพรียงกันอย่างนี้ข้ออื่นยังมีอีกพระองค์พูเ้เจริญหม่อมฉันเที่ยวไปเนืองๆจากอารามนี้สู่อารามนั้นจากสวนนี้สู่สวนนั้นได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสู้ผอม เศร้ามองบิวผิวพันสามผอมเหลืองสะพั่งไปด้วยเส้นเอ็นดูเหมือนไม่ประสงค์จะมองใครเสียเลยหม่อมฉันมีความเห็นว่าท่านพวกนี้คงฝืนใจประพฤติประมาจรรันเป็นแน่หรือมิฉะนั้นก็น่าจะมีบาปสักอย่างหนึ่งซึ่งท่านเหล่านี้ทําแล้วปกปิดไว้จึงเป็นผู้สู้ผอมเศร้าหมองผิวผันสามผอมเหลืองสะพั่งไปด้วยเส้นเอ็น ดูเหมือนไม่ประสงค์จะมองใครเสียเลยมอมฉันเข้าไปหาแล้วถามว่าเพราะเหตุไรจึงเป็นดังนั้นท่านเหล่านั้นตอบว่าข้าแต่มหาราชพวกเรามีโรคเนื่องมาแต่เผ่าพันธุ์ดังนี้ส่วนภิกษุในศาสนานี้มอมฉันเห็นท่านร่าเริงสอความรู้สึกภายในอันสูงขึ้นและสูงขึ้นมีรูปหน้าปลื้มใจมีอินทรีย์ชุ่มชื่น มีความขนขวายน้อยมีขนตกราบมีชีวิตเป็นไปด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจดุดมลึกคะหม่อมชั้นมีความเห็นว่าท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษอันโอลานในศาสนาของพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นกว่าเก่าๆ เ, เป็นแน่จึงเป็นดังนั้นพระองค์พูดเจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมชั้นในพระผู้มีพระภาค ข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเป็นกษัตริย์ได้มูลฐาพิเศษแล้วมีอำนาจพอที่จะฆ่าคนผู้สมควรฆ่าขับคนที่ควรขับก็จริงถึงกระนั้นเมื่อหม่อมฉันนั่งวินิจฉัยคดีชนทั้งหลายยังอึกระทึก ก, กรบเสียงหม่อมฉันเสียเป็นระยะระยะหม่อมฉันจะห้ามว่าท่านผู้เจริญพวกท่านอย่า ก, กรบเสียงของเราผู้นั่งวินิจฉัยคดีให้ตกไปเป็นระยะระยะเลย จงรอให้จบถ้อยคําของเราสิก่อนดังนี้ก็ไม่ไหวเขาเหล่านั้นยังคงอึกกระทึกกรบเสียงหม่อมฉันเป็นครั้งคราวส่วนภิกษุในาศาสนานี้ม่อมฉันเห็นไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟังเป็นจำนวนหลายร้อยถ้าสาวกในที่นั้นคนหนึ่งคนใดไอขึ้นเพื่อนพรหมจารีในที่นั้น จะกระทบเขาด้วยเขาเพื่อให้รู้สึกว่าท่านจงมีเสียงน้อยท่านอย่ากระทำเสียงพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรากำลังแสดงธรรมดังนี้หม่อมฉันคิดว่าอาศัศจรริงจริ ง, รงไม่เคยมีจริงจริงบริษัทเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาญาหรือศาสตราเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉัน ในพระผู้มีพระภาคเจ้าข้ออื่นยังมีอีกพระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นขติยบัณดิตพรามบัณดิตขหาบดีบัณดิตสมณบัณดิตบางคนในโลกนี้มีปัญญาเฉียบแหลมชำนาญการโตวาทะเชี่ยวชาญดุจในขมังธนูผู้สามารถยิงถูกขนสายดูเหมือนเพียงทำลายความเห็นชอบของคนอื่นด้วยปัญญาของตนเท่านั้น บัณดิตเหล่านั้นได้ยินข่าวว่าพระสมณโคดมจักเสด็จแวะบ้านหรือนิคมชื่อโน้นก็ตระเตรียมปัญหาและอวดอ้างว่าเราจะเข้าไปถามปัญหานี้กับพระสมณโคดมถ้าเธอถูกถามแล้วพยากรณ์อย่างนี้พวกเราจะหักล้างวาทะของเธอด้วยวาทะอย่างนี้อย่างนี้แม้ถ้าเธอถูกถามแล้วพยากรณ์อย่างนั้นอย่างนั้นพวกเรา จกหักล้างวาทะของเธอด้วยวาทะอย่างนั้นดังนี้ครั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆแล้วพระผู้มีพระภาคย่อมชี้แจงให้เห็นชอบให้ปลงใจให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถา ท่านบัณฑิตเหล่านั้นเลยไม่ถามปัญหาไหนจักได้คมขีวาทะเล่าย่อมพากันเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคโดยแท้และขอโอกาสเพื่อบรรพชาออกจากเรือนไม่หวังประโยชน์เพื่อกู้ด้วยเรือนพระผู้มีพระภาคก็บรรพชาให้บัณฑิตเหล่านั้นเป็นบนรรพชิตแล้วลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีเพียรมีตนส่งไปแล้วในสมาธิ ก็ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอันเป็นที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกบวชจากเรือนไม่หวังประโยชน์เกื่อกูลแก่เรือนได้ในพบอันตนทันเห็นเข้าถึงแล้วแลวอยู่ท่านเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่เยยี่หัวใจเราอีกต่อไปจริงอยู่เมื่อก่อนเราไม่เป็นสมณะ กปฏิญญาว่าตนเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์กปฏิญญาตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นพระอรหันต์กปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่บัดนี้เล่าเราเป็นสมณะเราเป็นพราหมณ์เราเป็นพระอรหันต์โดยแท้ดังนี้พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมชั้นในพระผู้มีพระภาคข้ออื่นยังมีอีก พระองค์ผู้เจริญมีช่างไม้สองคนชื่ออิสิทันตะและปูราณนะทั้งสองนายนี้กินข้าวของหม่อมชันใช้ ย, ยวดยานพาหนะของหม่อมชันหม่อมชันให้เบี้ยเลี้ยงชีพให้ยศศักดิ์แก่เขาแต่เขาจะมีความเคารพในหม่อมชันเท่าที่มีในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องที่ล่วงมาแล้วคือหม่อมชันยกเสนาออกไปกําจัดข้าศึกเพื่อจะทดลองช่างไม้สองคนนี้ จึงเข้าไปพักในที่คับแคบแห่งหนึ่งเขาทั้งสองข่าเวลาด้วยสนธนาธรรมเกือบค่อรุ่งแล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศที่เขาได้ยินข่าวว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เหยียดเท้ามาทางหม่อมชันพระองค์พูดจเจริญหม่อมชันมีความรู้สึกว่าอัศจ ร, ร จ, ร จ, รจริงไม่เคยมีเลยช่างหม้สองคนนี้กินข้าวของเราใช้พาหนะของเราเราให้บีเลี้ยงชีพ แะยศัก์แก่เขาแต่เขาหามีความเคารพในเราเท่าที่เขามีในพระผู้มีพระภาคไม่ชาอยคนทั้งสองนี้จะรู้ถึงคุณวิเศษอันโอราณในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นแน่แท้พระองค์พูดเจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมชั้นในพระผู้มีพระภาคอีกข้อหนึ่งพระองค์ผูดเจริญ พระผู้มีพระภาคก็เป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเป็นชาวโกศลหมอ่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคมีพระชนแปสหมอ่อมฉันก็มีอายุแปสิบด้วยเหตุนี้เองหม่อมฉัน okay, จึงควรทำความเคารพอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคควรแสดงความสนิทสนมอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาค ท่านผู้เจริญการเฝ้าพระาศาสดา ค, ครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เวลานั้นพระองค์มีพระชนแปแล้วเมื่อสนทนากับพระผู้มีพระภาคพอสมควรแล้วพระองค์เสด็จออกจากที่เฝ้าแต่ไม่มีใครเหลืออยู่เลยข้าราชบริพารและทหารคนสนิทหายหน้ากันไปหมดเหลือแต่มาทรงและหญิงคนหนึ่งเฝ้าม้าอยู่เท่านั้น พระองค์ตรัสถามทราบความจากหญิงนั้นว่าทีฆาการยานะมหาอมาตเป็นกบฏยึดรัชสมบัติให้วิถูดพะและพากันกลับสู่พระนครสาวัทถีหมดแล้วพระราชาทรงเสียพระไทยและทรงพระพิโรธมากตรัสว่าเราจะไปนําทัพหลานของเราจากกรุงราชคลือมายึดรัชสมบัติคืนจึงขึ้นสู่มา้าทรงมีหญิงคนใช้เป็นที่สอง มุ่งไปสู่กรุงราชคลือพอดีเมื่อพระองค์เสด็จถึงนั้นเป็นเวลาที่ประตูเมืองปิดเสียแล้วไม่สามารถเข้าไปภายในพระนครได้ทรงบรรทมณนาศาลาหน้าเมืองเนื่องจากทรงลำบากทั้งพระกายและพระไทยมาตลอดทางมาประจวบกับลมหนาวในราตรีและความชราประกอบกันจึงสิ้นพระชนในราตรีนั้น ชีวิตพระเจ้าประสิทธิมีความสัมพันธ์กับพันธุลกุมานอยู่มากเพราะปรากฏว่าหลังจากศึกษาศิลปศาส์สำเร็จแล้วพันธุลกุมานโอรสแห่งมลรกษัตย์ณเมืองกุศินารา ได้แสดงวิชาของตนในที่ประชุมแห่งพระประยุรยาตยังโลดโผนตื่นเต้นยิ่งนักคือมลกษัตย์จัดแจงให้มัดไม้ไผ่เข้า60มัดมัดะ ล, ละห0สิลำแล้วยกขึ้นให้พันธุลกุมารตัดไม้ไผ่เหล่านั้นโอรสแห่งมลกษัตย์กระโดดขึ้นสู่อากาศตัดไม้ไผ่เหล่านั้นรวดเดียวได้ยินเสียงดังคลิกจากไม้ไผ่มสุดท้ายอะไรกันนี่ พันธุละถามเขาเอาเหล็กสอดใส่ไว้ในไม้ไผ่ทุกๆมัดเสียงตอบพันธุละเสียพระไถ่สงพระกันแสงถิ้งดาบพลางตรัสว่าบรรดาพระประยุรญาติอันมากมายของเรานี้ที่นี้จะหาคนที่มีความรักในเราเพียงคนเดียวก็ไม่มีถ้ารู้ว่ามีเหล็กสอดอยู่ด้วยจะฟันไม่ให้มีเสียงดังเลยแม้แต่น้อยเมื่อมีโอกาส พันธุลกุมารทูลพระชนกชนนีว่าจะฆ่ามาลกษัตริย์เสียให้สิ้นแล้วขึ้นสวยราชแต่พระองค์เดียวเพราะประิโยรญาตทั้งหลายเหล่านั้นหาความหวังดีในพระองค์ไม่ได้เลยจะเผยความจริงให้ทราบสักนิดก็ไม่ได้ว่ามีซี่เหล็กสอดอยู่ในมัดไม้ไผ่ด้วยฝ่ายพระชนกชนนีต่างก็ปลอบโยนและอ้างเหตุผลว่าลูกจะทําอย่างนั้นไม่ควร เพราะการกระทาดังนั้นเป็นราชประเพณีพันธุละเสียพระไทยเห็นว่าไม่ควรอยู่ในกรุงกุสินาราอีกต่อไปจึงได้เสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีนครแห่งพระเจ้าประสิทธิสหายแห่งพระองค์ราชาแห่งแคว้นโกศลทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงต้อนรับพันธุลกุมารด้วยพระไทยอันเปียมด้วยสมนัตให้ดารงตาแหน่งเสนาบดีของพระองค์พระราชกุมารแห่งนครกุสินารา ได้นำพระชนกชนนีของพระองค์ให้มาประทับนักลุงสาวัตถีด้วยพระชายาของเสนาบดีมีพระนามว่ามลิกาเป็นสตรีที่มีรูปงามและดีพร้อมทุกประการแต่อภพที่ไม่มีบุตรหรือธิดาเลยเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นถือกันว่าพ ญ, ญาที่ไม่สามารถมีบุตรหรือธิดาจะต้องถูกส่งกลับไปสู่ตระกูลแห่งมาดาบิดาของตน นางมลิกาก็ตกอยู่ในขายแห่งประเพณีอันนี้เมื่ออยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานนางไม่มีทีท่าจะมีคันเลยพันธุลเสนาบดีก็ไล่นางกลับไปอยู่ณบ้านเดิมของตนภริยาแห่งเสนาบดีเป็นผู้เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าเมื่อจะกลับบ้านก็ควรไปทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียก่อนจึงได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ณวิหารเชตวัน มาลิกาเธอจะไปไหนทรงถามจะกลับบ้านเดิมพระเจ้าข่าทำไมละ่ะมาลิกาท่านเสนาบดีไล่ให้กลับเพราะข้าพระองค์เป็นหมันไม่สามารถมีบุตรสืบสกุลได้พระเจ้าข่าเท่านั้นเองหรือพระเจ้าข่าถ้าเพียงเท่านั้นอย่ากลับเลยนางมาลิกาดีใจยิ่งนักถวายบังคมลาพระาศาสดา รีบกับสู่นิเวศของตนเล่ารื่อทั้งหมดให้สามีทราบท่านเสนาบดีก็ดีพระไทยและเห็นว่าพระผู้มีพระภาคผู้มีสายพระเนตรยาวคงเห็นเหตุการณ์อันเป็นมงคลเป็นแน่แท้จึงตราสเช่นนั้นต่อมานางมลิกาได้คลอดบุตร16ครั้งครั้งละคู่ครั้งละคู่รวม32คนบุตรทุกคนล้วนสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงกาลังดี มีอนามัยดีสำเร็จการศึกษาชั้นสูงทุกคนสามารถช่วยงานบิดาได้อย่างดียิ่งวันหนึ่งมีเสียงอื้ออื่องขึ้นนศาลาเป็นที่วินิจฉัยคดีทั้งนี้เพราะท่านผู้พิพากษาวินิจฉัยคดีไม่เป็นธรรมมีการกินสินบนเอาความเป็นธรรมในรูปแห่งอธรรม หยิบยื่นให้แก่ผู้มีทรัพย์ส่วนผู้ไม่มีทรัพย์สำหรับมอบให้แก่ผู้พิพากษาแม้จะถูกก็กลายเป็นผู้ผิดควรชนะก็กลายเป็นผู้แพ้พอดีวันนั้นพันธุลเสนาบดีเดินผ่านมาประชาชนขอร้องให้ช่วยวินิจฉัยความท่านเสนาบดีวินิจฉัยความเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายเป็นอันมากสามารถทําเจ้าของทรัพย์ให้เป็นเจ้าของ ทำผู้คดโกงให้พ่ายแพ้ประชาชนต่างเปล่งเสียงชโยโหร้องด้วยความพอใจยิ่งนักเรื่องนี้ทราบถึงพระเจ้าประเสนทิพระองค์ทรงโสมนัสทรงสถาปนาพันธุลเสนาบดีให้ดำรงตำแหน่งผู้พิภาคษาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยส่วนผู้พิภาคษาเก่านั้นให้ทอดเสียสิ้นพวกอมท์ผู้วินิจฉัยคดีเก่าๆ เ, เคยมีลาบมากมีคนนับถือมาก มาบัดนี้เสื่อมแล้วจากลาภและความนับถือทั้งสองอย่างจึงกลั่นแกล้งยุยงราชตระกูลเพื่อให้ไปถึงพระกันของพร ะ, จพระเจ้าเปเสนทิว่าบัดนี้พันธุระเสนาบดียิ่งใหญ่มากและปราถนาแย่งราชสมบัติของพระเจ้าเปเสนทิพระราชาผู้มีทาาเห็นความเขลาเบาปาัญญาทรงทราบเรื่องนี้แล้วทรงสะดุ้งพระไทยมิอาจทาพระไทยเย็นมิเชื่อถือถ้อยคานี้ได้ พันธุละเล่าเวลานี้มีคนเคารพนับถือมากล้อมหน้าล้อมหลังประดุดดาวล้อมเดือนนอกจากนี้ยังมีบุตรถึง32คนล้วนแล้วแต่ฉลาดสามารถสมบูรณ์ด้วยกำลังทุกประการถ้าเขาคิดแย่งราชสมบัติก็น่าจะได้ด้วยอาศัยเหตุแวดล้อมต่างๆบวกด้วยเสียงยุยงของอมาตะคดโกงรวมทั้งความโง่เขลาเบ า, บาปัญญาของพระองค์เอง พระเจ้าระเสนธิจึงวางแผนประหารพันธุลเนาบดีพระองค์ทรงดํฤริว่าถ้าเราจะฆ่าพันธุลเยเองก็จะมีเสียงตำหนิติเตียนมากนอกจากนี้ยังเป็นการยากที่จะทำได้ด้วยประการฉนี้พระองค์จึงทรงวางแผนให้ค้นกุข่าวขึ้นเป็นทีว่าในชนบทปลายแดนมีพวกโจรกำเริบร้นฆ่าชาวบ้านโดยมิได้เกรงกลัวพระราชอาญา นอกจากนี้ยังมีอมาตบางคนที่ทรงมอบหมายให้ปกครองในชนบทปลายแดนเกิดกระด้างกระเดื่องไม่จงรักภักดีต่อพระองค์มองไม่เห็นใครอื่นที่ฉลาดสามารถปราบเหตุร้ายครั้งนี้ได้นอกจากพันธุละขอให้เสนาบดีพร้อมด้วยบุตรสามคนเดินทางไปปราบกบฏครั้งนี้เมื่อได้รับพระราชะองค์การแล้วพันธุละผู้มีใจซื่อมิได้ระแวงภัยแม้แต่น้อย เดินทางออกสู่ชนบทปลายแดนมีบุตร32คนเป็นบริวารมีความตั้งใจนงแน่วแน่ที่จะปราบโจรให้ราบคาบมอบความสงบสุขให้แก่ประชาชนวันหนึ่งขณะที่นางมลิกาภรรยายอดรักของท่านพันธุละกำลังอังคาาพระสงฆ์ซึ่งมีพระสารีบุตรเป็นประมุขอยู่ด้วยชาธเนยโพชยาหารอันประนีดมีราชบรุษนาสารมามอบให้นาง เมื่อนางอ่านแล้วก็พับใส่ชายพกไว้ไม่ได้พูดอะไรหรือแสดงอาการให้แปลกไปอย่างไรเลยนางคงเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยอาการสงบเป็นปกติอีกครู่หนึ่งต่อมาหญิงคนใช้นำภาชนะใส่นมสดเพื่อ น, นำมาถวายพระบังเอิญอย่างไรถ้วยนมสดพลัดตกจากมือแตกกระจายพระธรรมเสนาบดีเกรงว่านางมริกาจะเสียดายของและดุด่าหญิงคนใช้ ท่านจึงพูดปลอบใจว่าอุบาสิกาอย่าคิดอะไรเลยของมีการแตกเป็นธรรมดาได้แตกไปแล้วทันทีนั้นนางมลิกาได้ดึงหนังสือจากชายพกมามอบถวายแก่พระสารีบุตรพร้อมด้วยกล่าวว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญมีข่าวมาว่าสามีอันเป็นที่รักและบุตรสาสิบสองคนถูกโจรฆ่าตายหมดในคราวเดียวกันดิฉัน ยังไม่คิดอะไรเลยก็จะเสียใจอะไรเล่ากับเรื่องเพียงถ้วยนมตกแตกพระธรรมเสนาบดีปรุงธรรมสังเวทกล่าวขึ้นว่าชีวิตนี้ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้ว่าจะตายวันไหนที่ใดชีวิตของสัตว์ในโลกนี้เป็นอยู่อย่างลำบากมีประมาณน้อยและประกอบไปด้วยทุกนานาประการ เมื่อพระธรรมเสนาบดีกลับไปสู่วิหารแล้วนางมลิกากล่าวกับลูกสะใภ้ทั้งส2คนว่าทั้งบิดาและสามีของเธอไม่มีความผิดเลยที่ต้องตายลงคราวนี้ก็เพราะกรรมเก่าที่เคยทำไว้อย่าให้มีจิตคิดประทุสร้ายในพระราชาเลย จาระบุุษของพระเจ้าเเสนธิได้ฟังคำนี้ได้นำไปกราบทูลพระองค์ทรงสังเวชพระไยว่าพระองค์กระทาร้ายต่อผู้ซึ่งไม่ร้ายต่อพระองค์เลยแม้ด้วยความคิดจึงเสด็จไปหานางมลิกาทรงแสดงความเสียพระไทยและพระราชทานพรแก่นางมลิกาว่านางมีความต้องการอะไรพระองค์จะพระราชทานแต่นางกราบทูลว่าไม่ต้องการอะไร เพียงแต่ขอกลับไปอยู่บ้านเดิมในกรุงกุสินาราเท่านั้นลูกสะพ้ยทั้งหมดต่างก็กลับไปสู่บ้านของตนพระเจ้าประเสัยธิสงเสียพระไัยยิ่งนักแต่เป็นเหตุการณ์ที่แก้ไม่ได้เสียแล้วยิ่งพระองค์มาทราบความจริงอันท่องแท้ในภายหลังว่าพันธุละมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เป็นที่สุดเรื่องทั้งหลายที่พระองค์ทรงสดับนั้นเป็นเพียงคํายุยงของพวกโลภมากอยากได้ พวกลิสยาตาร้อนเท่านั้นเองพระองค์ก็ยิ่งโทมนัดหนักเข้าอีกไหนจะอับอายขายหน้าไหนจะวิตกกังวลเรื่องต้องเสียคนดีไปถึง33าคนพระองค์ทรงมีความเดือดร้อนพระไทยเป็นที่สุดหาความสุขจากราชสมบัติไม่ได้เลยเพื่อจะลบล้างความผิดของพระองค์บ้างจึงทรงแต่งตั้งธีฆาคารายณนะหลานของพันทุลเสนบดี ขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีแทนลุงของตนกาไรายนะผูกใจเจ็บว่าพระราชาทรงกระทาร้ายลุงของตนผู้หาความผิดมิได้จึงหาโอกาสจะแก้แค้นอยู่เสมอเมื่อได้โอกาสคราวที่พระเจ้าปเปเส์ที่ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณนิคมเมธลุ ป, ปะตามที่ข้าพเจ้าได้เล่าท่านไว้แล้วแต่หนหลังกาไรายนะจึงแย่งราชสมบัติมอบพระขัน และเครื่องราช ก, รกุธภัณฑ์ทั้งหมดอภิเศกให้เจ้าชายวิทุทัพะเป็นพระเจ้าแผ่นดินดังกล่าวแล้วข้าแต่ท่านผู้นิรทุกพระสุมนณะกล่าวต่อไปความจริงผู้ข่าพันธุลเสนาบดีนั้นหาใช่ใครอื่นไม่แต่เป็นราชบุรุษที่พระเจ้าปเปเสนธิให้เตรียมซ่อนไว้ในระหว่างทางนั่นเองพระองค์มารู้สึกพระองค์เอาเมื่อได้เสียคนดีไปแล้วและเอากลับคืนมาอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าอาุโสพระราชานั้นเป็นที่พึ่งของประชากรเป็นผู้เดินหน้าเป็นเครื่องหมายของแว่นแขวนถ้าพระราชาฉลาดสามารถและทรงธรรมชนทั้งหลายก็มีความสุขถ้าตรงกันข้ามชนทั้งหลายก็ต้องประสบทุกข์เดือดร้อนย่อส่วนลงมาถึงหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าหมู่คณะก็เหมือนกันถ้าตั้งอยู่ในธรรมไม่หูเบาเอาแต่ใจ ใคร่ครวญแล้วจึงทำก็จะนำมูไปสู่ความสุขความเจริญถ้าตรงกันข้ามมูคณะก็เสื่อมผู้เป็นหัวหน้าต้องรู้จักเลี้ยงคนดีคนดีจึงจะอยู่ด้วยและช่วยทำประโยชน์ให้ได้ไม่ใช่เลี้ยงแต่คนประจบสอพลอเอาไว้นั่งปั้นลูกยอให้กินวันแล้ววันเล่าเมื่อมีกิจธุระหรือเรื่องสำคัญเกิดขึ้นก็ช่วยอะไรไม่ได้อวุโสม้าดีนั้นเดิมที เป็นม้าพยศทุกตัวทั้งนี้เพราะมันจะไม่ยอมให้ใครขี่ง่ายๆแต่เมื่อมันรู้แน่ว่านายของมันคนที่ฝึกมันมีความพยายามจริงและฝึกได้แล้วมันจะเป็นม้าที่ดีที่สุดเป็นม้าอาชาในไม่ต้องแทงด้วยประตักเป็นเพียงเห็นเงาของประตักเท่านั้นมันสามารถรู้และเข้าใจได้ว่านายของมันต้องการให้มันทาอะไร คนดีย่อมมีความนับถือตนเองอยู่บ้างไม่มากก็น้อยย่อมมีความคิดเห็นเป็นของตนและให้ความนับถือความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยพร้อมๆกันไปด้วยเหตุนี้เราสามารถทําความตกลงกับบุรุษอาชาในาได้ด้วยเหตุผลมิใช่อานาจหรือความอายุติธรรมผู้เป็นใหญ่ที่นั่งบนศีรษะคนกับนั่งในหัวใจคนนั้นผิดกันมากถ้าได้นั่งในหัวใจคนแล้ว ความสำเร็จต่างๆก็ตามมาโดยไม่ต้องใช้อำนาจอาชญาใดๆเลย